อัตตสัมมาปณิทิจเจตมังขรมุตมมันเตอิมัสสะธรรมปริยายัตสัอัถโสาตายัตสมันเตหิสกจังธรรมโอโสตโบตติเอาเข้าท่าเข้าทางเตรียม นั่งทำบุญนั่งทาคัดสมาธิทาบุญด้วยการนั่งทาสมาธินั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติ ความระลึกรู้ให้อยู่กับใจอยู่กับความรู้อยู่เฉพาะหน้านี่เรียกว่าแตง่งแต่งกายให้สบายสบายไม่ให้มีที่ขัดเคืองวางมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดีแล้วน้อมจิตน้อมบ๊าคุณพระพุทธเจ้า คือพุทโธเข้ามาที่ใจน้อมโมคุณพระธรรมเข้ามาธรรมโมรู้ที่ใจน้อมโมคุณของพระอริยสงฆ์สาวกสังโฆเข้ามาที่ใจเรียกว่าให้ใจของเรานึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ พุโทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นึกเอาพุโทโธพุธโทโธคำเดียวกำหนดหายใจเข้าพุทธลู้หายใจออกนึกโทรลูนับไปเรื่อยกำหนดนับไปเรื่อยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทรลูร หนึ่งสองสามไปเรื่อยเรื่อยอยันนี้เรียกว่าวิธีผูกวิธีผูกจิตจิตคือความนึกคิดมันเป็นสมมุติเป็นอาการอันหนึ่งคำว่าจิตตังจิตตังนึกคิดถ้าไม่มีเครื่องผูก เครื่องให้รู้มันก็จะไปนึกคิดไปตามความรู้ที่ไปรู้ด้วยสัญญาคือความจำจำอดีต ท, ที่ผ่านมาจำตั้งแต่ตอนเช้าหรือเมื่อวานหรือวันก่อน มีการประสบพบเห็นอะไรรับรู้เข้ามาสู่ใจมันจะนึกคิดปุงฟุ่งไปเรื่อยตามเรื่องที่มันเกิดความยึดอยู่ติดอยู่หลงอยู่นั่นแหละอันเียกว่าหลงยึดหลงถือ หลงยึดหลงถือในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีเสียงอะไรเข้าสัมผัสหูรู้ที่ใจมันก็จะามาเป็นอารมณ์กวรใจยึดหลงในสิ่งที่ได้เห็นด้วยตายึดถือในสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจเนี่ยจิตของเรามันจะ นึกคิดกระโดดหรือว่าเต้นไปกระโดดไปตามอารมณ์ที่สัมผัสเข้ามาที่เป็นอติตารมณ์คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าอาดีตหรือไม่มันก็จะปรุงแต่งไปกับเรื่องข้างหน้าว่าจะมีการงานอะไรเราจะทำอัน น, น้นอันนี้ ในวันข้างหน้าวันปีหน้าเดือนหน้ามันก็จะปรุงไปตามเรื่องที่วางแผนไว้ไปข้างหน้าไปในอนาคตทันเดียว่าอนาคตนี่ธรรมดาหรือธรรมชาติจิตคือความนึกคิดมันจะนึกคิดไปอยู่กับ อดีตที่ผ่านมาแล้วที่เรียกว่าอาตีตารมแล้วก็ไปนึกคิดในเรื่องข้างหน้าที่คาดคะเนไว้เรียกว่าอนยาคาตารมปัจจุปันปัจจุปันนะปัจจุบันรมอารมณ์ปัจจุบันนี่มันจะไม่ค่อยอยู่จะไม่ค่อยรู้อยู่นิ่งๆกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นในการฝึก ในการฝึ ก, กจิตฝึกใจเรียกว่าฝึ ก, กจิตให้มันนึกคิดอยู่อันเดียวในปัจจุบันจึงให้นึกพุทโทรพุทโทหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทรให้มันกลมคืนกันเป็นขนาดจิตเดียวขนาดจิตเดียวสติและลึกรู้นี่แหละเป็นองค์ประกอบ ความระลึกรู้ถ้าไม่ระลึกอยู่กับการให้รู้ให้นึกปัจจุบันสติก็จะไประลึกไปตามอดีตที่ผ่านมาไประลึกธาดคะเนไปตามอนาคตเมื่อมันหลงความนึกความคิดยังไม่เข้าใจเรื่องจิตตังคือความนึกคิดเนี่ย ตามเป็นจริงก็จะหลงว่าความนึกคิดนี่แหละเป็นใจของเราเนี่ยจะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงฝึกให้อยู่กับปัจจุบันเสียก่อนเนี่ยเป็นอุบายทำเป็นกเป็นอุบายฝึกซ้อมสตินี่ให้มันมั่นคงแน่นหนามั่นคงอยู่ในปัจจุบัน และเป็นการฝึกปัญญาความรู้รอบความรอบรู้รู้รอบรอบรู้ในจิตความนึกคิดรู้รอบรอบรู้ในใจคือความรู้ที่เป็นธรรมชาติไม่นึกไม่คิดนการปฏิบัติธรรมะ ถ้าไม่ฝึกหัดปฏิบัติให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันมันก็จะกระโดดไปตามอารมณ์อดีตอนาคตไม่อยู่นิ่งๆเหมือนกันกับลิงท่านว่านิสัยของจิตเนี่ยมันเป็นนิสัยลิงมันชอบนึกคิด ปรุงแต่งอันน้นอันเน่มันไม่อยู่มันไม่รู้อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นคมจิตหรือว่าฝึ ก, กจิตด้วยความมีสติให้รู้ในอารมณ์ปัจจุบันเพื่อจะสัมผัสกับผลคือสมาธิที่จิตของเรา นึกคิดอยู่สิ่งเดียวแล้วมีความรู้เข้าไปสัมผัสกับความแน่วแน่ของใจที่ไม่ถูกสิ่งปรุงแต่งเข้ามากระทบกระทั่งใจที่มันมีความทุกข์ที่เราว่าทุกข์เพราะความนึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนีน้ก็คือ จิตตังนี่แหละหรือสังขารนี่แหละมันเข้ามาปรุงมันเข้ามาปรุงใจปรุงความรู้รู่ในเมื่ออาการของความปรุงคือนึกคิดเนี่ยมันก็เพื่อมเรียกว่าถ้าเป็นลิงก็ืเหมือนแบมันกระโดดกระโดดไปจับต้นไม้ต้นนั่นต้นไม้ต้นนี้มันก็มี ความสั่นสะเทือนเมื่อกระโดดจากต้นนั่นกลับมาต้นนี้เนี่ยความสั่นสะเทือนจากแรงของความไม่อยู่นิ่งของลียงนั่นแหละเป็นเหตุให้ต้นไม้กิ่งไม้่มนนอนแงนคอนแคนความกิ่งธรรมชาติของกิ่งไม้ต้นไม้นั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ กระทบกระทั่งเข้าไปเขาก็เป็นปกติเป็นความนิ่งของเขานี่เพื่อให้รู้เหตุว่าสิ่งที่ทำให้กระทบกระเทือนหรือความกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะสังขารเพราะความนึกคิดนี่ความรู้ของเรานี่ไม่รู้ความเป็นจริง ภพราในาเบื้องต้นกำหนดรู้รู้พร้อมกับบริกรรมนี่เป็นเป็นอุบายเป็นอารมณ์เป็นการทำให้การนึกคิดเนี่ยให้นึกคิดอารมณ์อันเดียวและอารมณ์ที่นึกคิดนี่เรียกว่าเป็นคุณของผู้รู้ เป็นคุณธรรมของความรู้ความรู้ความตื่นความเบิกบานที่ว่าพุท ธ, ธะเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ฝึกให้รู้ตื่นเบิกบานนั่นจะปล่อยวางความเข้าไปถือไปยึดความเข้าไปปรุงไปแต่งอย่างง้นอย่างนี่มันจะเป็นธรรมชาติใจ ที่รู้ๆเนี่ยจึงทําให้เบาที่นี่เมื่อฝึกอย่างนี้เมีนึกคิดถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่จะทําให้ใจนี่เบาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่ถ้าไปนึกไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นเรื่องได้เรื่องดีเรื่องได้เรื่องเสีย เรื่องความอยากอันน้นอันนี้อยากให้เป็นอย่างน้นอยากให้มีอย่างนี้ถ้าไปนึกไปบริกรรมอย่างนั้นก็ไปเรื่อยเรื่อยไม่มีทางสงบเพราะอันนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นการส่งออกนอกจากความรู้คือใจส่งออกนอกปัจจุบันยืดไป ตามอดีตยืดไปตามอนาคตจึงไม่มีทางจบสิ้นเพราะฉะนั้นทางที่ถูกต้องก็ต้องมาฝึกให้ความรู้นี่รู้อยู่กับปัจจุบันนึกคิดกับนึกคิดสิ่งปัจจุบันเรียกว่านึกคิดรู้จำนี่รวมความจำคือสัญญา เป็นอาการอันหนึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนคือความจำเนี่ยมันก็ไม่ได้จมันไม่ได้จำอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมันก็หายไปไม่มีความจำมันมีแต่ความไปรู้อันนุน่นอันนี่อย่างอื่นนั่นเรียกว่าสัญญาความจำเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ใช้ให้เป็นธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดความปรุงแต่งเป็นสังขารจำสิ่งนุ้นมาสิ่งนี้มาแล้วก็สังขารก็ทำงานที่ทำงานไปตามความความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงมันจะไม่มีที่สิ้นสุดท่านเจงว่า วิ่งตามสังขารหรือท่งความรู้ตั้งสติไปตามสังขารมันก็จะพาปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีเวลาสงบเพราะฉะนั้นตั้งสติลงให้ถึงผู้รู้สังขารชื่ใจแล้จึงจะทำสังขารือความปรุงแต่งให้ปรุงอยู่สิ่งเดียว ปรุงพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นเรื่องสังขารปุงถ้ามันไม่ทํางานถ้ามันไม่ปุงพุทโธพุทธโธมันก็จะไปปุงตามความอยากตามความอยากเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นเหตุให้ทุกเกิดวิ่งตามความอยากอยากโน่อนอยากนี่อยากอยากอะไรก็คิดปุงไปตาม อ่าแทนเป็นการเป็นความดิ้นรนของสังขารดิ้นรนของสัญญาเพราะฉะนั้นคณะนี่เดียวนี้กําหนดไว้ให้เป็นหลักว่ารู้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันพุทโธพุทโธรู้ใจหรือใจรู้พุทโธอ่าพุทโธอ่าข่มใจ หรือใจยืดอยู่กับพุโทโธมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ด้วยความมีสติแล้วการที่ฟังเสียงธรรมะที่พูดไปบรรยายไปหูถ้าหูดีเสียงที่พูดไปก็จะสัมผัสนอกจาก หูไมด่ดีเรียกว่าวิญญาณหูเปลี่ยนแปลงแปลสภาพจะไม่สัมผัสกับเสียงที่เป็นทอยเป็นความก็จะไม่รู้ความหมายมีแต่เสียงดังเสียงอื้อเสียงดังไปธรรมดาไม่รู้ความหมายนั่นเรียกว่าความแปลปวนของเครื่องรับ เสียงคือหูทนเรียกว่าวิญญาณหูแปรปวนวิญญาณหูเครื่องรับเสียงนี่ให้รู้เท่าคันห่านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันเป็นเครื่องมือของใจเป็นเครื่องใช้ เป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเครื่องะระลึกของสติเมื่อมีความนึกคิดปรุงแต่งก็ต้องเอาสติคือความะระลึกรู้ไปะระลึกรู้ความปรุงแต่งแล้วก็มีปัญญารอบรู้คุมให้มันปรุงให้มันนึกมันคิด อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมจึงจะมีความสงบจึงจะมีความสุขใจหรือไม่ก็ให้มันลู้ให้ันห้าว่ามันเป็นความจริงความจริงของความไม่เที่ยง ยากจะให้สุขสบายอยู่ตลอดไปมันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นมามันไม่แน่นอนนี่ให้รู้ความจริงของเวทนาสุขทุกข์เฉยๆให้รู้ความจริงของรูปร่างกายเกิดขึ้นอุบัติขึ้นครั้งแรกก็เล็กๆตัวเล็กๆ แล้วก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมีกำลังวังซาเต็มที่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตัวใหญ่รูปร่างใหญ่อยู่แต่กำลังแรงหมดไปเหมือนกันกับคนแก่คนชลานั่นแหละอายุย่างเข้าแปดสิบเก้าสิบไปแล้ว กำลังวังซาที่เคยมีอยู่ก็หายไปเคยเดินได้เคยวิ่งได้เคยลุกไปไหนมาไหนได้ตามสะดวกสบายก็ไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนอยู่กับที่ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายที่ว่ามันเจริญเติบโตก็มีอยู่นั่นแหละแต่เรียวแรงหายไปหมดไปในเมื่อร่างกายนี่มันไม่มีเรียวไม่มีแรง แล้วมันก็หนักมันยิ่งหนักลงเรียกว่านักจนเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เหลือแต่นอนนี่คือความคือความหนักคือความเป็นภาระของขันของรูปประขันนี่เราก็ภาวนาดูเรียกว่าศึกษาดูให้รู้ หรือเพียนเพ่งดูนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะดูธรรมะก <c oughs> ารตั้งจิตตั้งจิตดูธรรมกำหนดรูปตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมหรือสภาพแห่งความเป็นธรรมของขันหา เพื่อให้ลูกให้เข้าใจตามความเป็นจริงนี่เระเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบอัตตะสมมาฟนิทิจะเอตมังกรมุตตมังตามภาสิตที่ยกขึ้นเป็นบทที่จะอธิบายธรรมะเพื่อให้เข้าใจใน ธรรมะตามเป็นจริงคือการตั้งจิตํำว่าอตตะสมะปนิทิจะการตั้งตนคำว่าตนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสมส ม, มุติว่าเป็นตนเพราะคำสมมุติคำว่าตนก็เป็นสมมุติริงสมมุติเอาคำว่าตนคือใจตนไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็น ธาตุไม่ได้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเพราะตนคือร่างกายของเรานั่นมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุที่ผสมผสานกันอยู่เช่นเวลาตาเห็นก็เป็นวิญญาณรับรู้ในการเห็นนี่เรียกว่าวิญญาณที่ท่านว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นรูปร่างกายนี่ไม่ใช่ตนเป็นเพียงธาตุรวมกันส่วนตนคือใจการตั้งใจไว้ชอบนี่แหละตั้งใจในการที่จะภาวนาตั้งใจไว้ในการที่จะศึกษาให้รู้ ความจริงของขันห้านี่เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าเป็นศีระสังวรการการรับศีลหรือปฏิบัติศีล ให้เป็นศีลอันแท้จริงคือศีละสังวรให้เกิดเป็นสติอันชอบเวลาลึกชอบเช่นระลึกไว้ในการที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลด้วยการนึกการคิดอันนี้ต้องควบคุมใจ ต้องระลึกเข้ามาที่ผู้รู้รู้แล้วก็ระลึกไว้ในการที่จะไม่ทําบาปทางกายก็ต้องรู้ที่ใจอีกอย่างเก่านั่นเองอไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นเพราะว่าศูนย์ควบคุมศูนย์ควบคุมขันห้าศูนย์ควบคุมสมมติทั้งหลายเนี่ย อันดาที่ว่าคันห้าเป็นสมมุติหรือศูนย์ควบคุมตนที่ว่าตนตนแท้คือใจควบคุมใจก็คือใจนั่นเองธรรมชาติรู้นี่เป็นศูนย์ควบคุมแต่ต้องมีอะไรที่จะให้การควบคุมสมบูรณ์บริบูรณ์จึงต้องสร้างสติ คือความระลึกรู้ให้รู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่เดียวเป็นอุปกรณ์ควบคุมความรู้เพราะความรู้นั้นถ้าหาว่าไม่สร้างอุปกรณ์คือสติขึ้นมามันก็ไม่มีเพราะธรรมชาติรู้นั้นมันไม่มันไม่เป็นสติมันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นความรอบรู้ คือเขาลู่อยู่เฉพาะตัวของเขาเหมือนกันกับต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วที่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาก็มีชีวิตอยู่เฉพาะการความเป็นอยู่ของเขาต้นไม้ที่เขาอาศัยรากอาศัยรากอาศัยเปลือกอาศัยแก่นอาศัยใบ รากก็ดึงดูดความชุ่มชื้นจากดินความชุ่มชื้นภายในดินขึ้นมาเป็นลำต้นก็ห่อหุ้มเวลาท่าน้ําที่รากมันดูดซึมขึ้นมาก็ขึ้นมาหล่อเลี่ยงในลำต้นออกไปสู่กิ่งก้านใบจนกลัวออกไปสู่ความเป็นดอกเป็น ผลของเขาเป็นเชือเป็นพันุ์ของเขาประมวลกันเข้ามาอีกใบก็สัมผัสกับอากาศที่พอดีพอดีนั่นจึงทําให้ต้นไม้ต้นนั้นไม่ตายมีชีวิตความเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่เฉพาะในตัวของเขาถ้ามีใครไปตัดไปฟันไปตัดกิ่งตัดก้านไปเด็ดดอกเด็ดใบเขาออกส่วนนั่นก็เรียกว่า ตายไปขาดความมีชีวิตสืบต่อหรือค้นถอนต้นของเขาขึ้นมาทั้งรากของเขาความมีชีวิตของต้นไม้ต้นนั้นซึ่งเขามีอยู่เป็นธรรมชาติก็สิ้นสุดลงไปนี่เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ในสภาพแห่งธรรมะที่ว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแม้แต่ร่างกายของเราเรียกว่าขันท่าตัวตนของเราเนี่ยธรรมชาติที่ว่าตัวตนในรูปร่างกายก็เหมือนกันมันก็มีสิ่งให้เป็นอยู่ของเข่าในขันท่าสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ถ้าหาว่ามันขาดการสืบต่อกันระหว่างธาตุ ซึ่งมีความชุ่มชื่นมีความเย็นมีความอบอุน่นและมีลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันติดขัดซะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้จะมีใจมีท่ารูกคือวิญญาณนี่สัมปยุติกันอยู่นี่มันก็คงความอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะต้องแยกสลายจากกันไป เรียกว่าสิ้นชีวิตของธาตุสิ้นชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตแต่มีจิตใจของเช่นมนุษย์คนเราก็ต้องแยกแมันก็ดับลงจบลมลงโดยธรรมชาติของเขานั่นแหละจบลมจบลงโดยธรรมชาติแห่งความ สืบต่อกันสืบต่อกันพ่วงกันไม่ได้มันแยกมันขาดความสมดุลนี่ส่วนที่เป็นรูปร่างกายนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าตัวตนเหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ว่าสิ่งที่ว่าตนตั้งตนไว้ชอบคือ จิตวิญญาณคือใจของเราเนี่ยธรรมชาติลู้ๆนี่ธรรมชาตินี่ไม่ดับเรียว่าตายไม่เป็นธรรมชาติรู้ตายไม่เป็นแต่ถ้าหากว่ายังมีสิ่งที่มาหนุนด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ที่นี่เรียว่ามาโนนด้วย อวิชชาตันหาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นเช่นความอยากของเราที่มันเกิดขึ้นที่ท่านว่าตันหาตันหารมันก็เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันมีสมมุติมีธาตุมีขันสัมปยุติกันอยู่มันจึงมีอาการแห่งความอยาก เช่นเราอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้ทำไมจึงอยากน้ำเพราะธาตุนี่มันอาศัยน้ำาอาศัยความชุ่มชื่นเมื่อเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นมันก็จะมีอาการแห่งความหิวแห่งความหิวหิวน้ำเพราะความแห้งแล้งไฟธาตุไฟสูง ก็จึงอยากน้ำก็ต้องสแสวงหาน้ำมาบริโภคให้น้ำเติมน้ำเข้าไปก็เกิดความชุ่มชื่นก็หายความอยากหายการกระหายน้ำอยากข้าวอยากอาหารเครื่องรอเลี้ยงร่างกายเพราะมันขาดเมื่อธาตุเดียกวกัธาตาุ ด, ดินที่เข้ามาโน่น เขามาหนุนในธาตุทั้งหลายซ้าประยุธ์กันเนี่ยมันขาดความพอดีของมันมันก็หิวหิวข้าวหิวข้าวหิวอาหารเมื่อหิวมันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันก็มีอาการเป็นทุกข์ในร่างกายแล้วก็กระเทือนไปความรู้นั่นใจซึ่งไม่ได้หิวไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่า ร่างกายนี่มันหิวมันเป็นทุกข์ใจก็กระวนกระวายด้วยก็เป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเองว่าทุกข์กายทุกข์ใจไปด้วยกันนี่แหละในขบวนการเหล่านี้ <c oughs> ที่มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนทุกข์ทั้งกายเนี่ยทุกข์ใจ เน่ <c oughs> ee, เพราะมันเป็นสภาวะที่มันเกี่ยวเนื่องกันในขันห้าแต่ถ้าหาว่าการแยกของขันขันห้าออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาสัมผัสรับรู้กับความเป็นทุกข์ในร่างกายของเราเมื่อเขาแยกจากกันแล้ว ไม่มีไม่มีความรู้สึกในรูปร่างกายถึงแม้จะยังเป็นรูปอยู่เช่นว่าจิตวิญญาณออกไปแล้วอร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณสัมพยุตที่เราเรียกว่าคนตายร่างกายที่ว่าตายแล้วไม่รับรู้ความเก็บความปวดความร้อนความหนาวอะไรไม่มีเพราะมันไม่มีความเป็นใหญ่แห่ง การรู้อยู่ในนั่นคือ่อานรู้หรือว่า อ, อ, อัตตะที่ว่าตนคือใจเนี่ยมันไม่มี ม, มันจึงหมดหน้าที่มันจะมันจะเลี้ยอยู่แต่ใจที่เป็นสิ่งที่ว่าไม่ตายมันจะรู้ความรู้ว่านี่ก็จะไปรู้ว่านี่ร่างกายนี่ ตายแล้วหรือธาตุนี้แยกออกไปมันก็จะมาลู่ในตัวของความลู่ตัวของความลูเนี่ถ้ามันยังมีความไม่ลู้คือความหลงยังไม่ลู้จริงอยู่มีอยู่เรียกว่าเป็นเชื่อของโมหะหรือว่าเป็นเชื่อของ กิเลตันหาอาวิชชาซึ่งมันยังออหุ้มใจนีเน่เป็นเชื่อละเอียดอยู่มันก็จะนำไปสู่การเกิดมาเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าเกิดในพบน้อยและพบใหญ่เกิดในกรรมาพบารูปประพบอรูปประพบเกิดในพบทั้งสามอยู่ ตราบใดที่ยังอไม่มีความแจมแจ้งในใจในผู้รู้รูในธานุรู้เนี่ยเป็นรู้ที่มันมีความหลงอยู่นั่นแหละมันก็จะมีสัญญาสังขารเรียกว่ามีขันละเอียดที่นี่ไม่ใช่ขันหยาบอมีขันที่อาศัยความไม่รู้ที่มีอยู่ในใจนี่แ่ละ ให้เป็นสัญญาสังขารเหมือนกันกับเรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี่ขันหยากขันคือร่างกายเนี่ยไม่รับรู้ไม่รับทราบอะไรไม่ได้ทำหน้าที่อะไรแต่เราฝันว่าเป็นตัวเป็นเรื่องเป็นราเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเนี่ยก็มีความจาใน มีความจำมีความนึกความคิดคิดในในจิตในความฝันนั่นอ น, นั่นแหละเรียกว่ า, เ, าเมื่อมันยังมีอวิชชามีความรู้ที่ยังไม่แจ่มแจ้งมันจึงมีขันละเอียดเรียกว่าขันในจิตอีกไม่ใช่ขันในรูปขันในรูปนี่ดับไป เมื่อจิตกับรูปแยกจากกันใจกับกายแยกจากกันเมื่อมันมีเชื่ออยู่ในใจที่ว่าเป็นผู้ไม่ตายนั่นแหละมันจึงมีการนำไปสู่จึงมีกำลังนำไปสู่การเกิดที่เรียกว่า ไปสู่ความมีชาติคือการเกิดเกิดในภพสามรูปภพอรูปภพกรรมมาภพรูปภพอรูปภพการมมาภพนับตั้งแต่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกที่ตกอยู่ในอเวกีมหานรกนี่เรียกว่า ยังมีพบอยู่จนขึ้นมาเป็นสัตว์นรกนรกหลายๆประเภทนรกที่มีความทรมานน้อยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมาถึงมนุษย์คนเราสัตว์ดราชฉานขึ้นไปเป็นเทวดานับตั้งแต่สั้นจาตุม สวัตติงสาญามาตุสิตาไปถึงสวรรค์ปรินิมิตตะวัตสวัตตีนี่ก็เป็นกรารมาพบขึ้นไปถึงพมอรูปพมพมที่ปรากฏรูปพมที่มีสัญญาเวทนาเป็นรูปพมเข้าไปสู่ วิถีจิตที่ยังมีความรู้สมประยุทธ์อยู่กับความสุขความว่างอยู่เป็นอรูปพมหรือเ่าพมที่ไม่ปรากฏ ร, รูปพมที่ไม่มีสัญญาเวทนาคือจิตในขณะจิตนั้นน่ะที่มันละเอียดเข้าไปเลยนี่เรียกว่าพบสาม มันจะเปลี่ยนแปลงจิตที่มีกิเลสมีอาสะวะมีความหลงเป็นเครื่องห่อหุ้มอยู่ที่นี่มาตั้งตนไว้ชอบคือตั้งใจนี่ไว้ชอบในการปฏิบัติละละความหลงเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งใจ โดยรอบเป็นความบริสุทธิ์เป็นจิตตะวิสุทธิความนึกความคิดเกิดเป็นความนึกความคิดบริสุทธิ์ตามธรรมชาติของเขาความรู้คือใจนี่ก็เป็นวิญญาณความ ร, ามรู้หรือว่าเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดที่ท่านเรียกว่าวิสุธทธิจิตวิสุธทธิธรรม นี่จะต้องฝึกฝนอบรมแล้วก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานี่จึงต้องมาสร้างสติเนี่ยให้เป็นสติชอบให้เป็นสติสัมปชัญญะให้มีกำลังรู้เรียกว่าจนเป็นสติปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคต นี่เรียกว่าเป็นสติสมบูรณ์เป็นศีรวิสุทธิความสังวรความระลึกลู้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเรียกเป็นจิตตวิสุทธิจิตคือความนึกคิดเป็นความนึกคิด ที่ไม่มีโทษนึกคิดล้วไม่เป็นโทษคือนึกคิดล้วไม่หลงไม่มีความหลงเข้ามาปรุงว่าต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เป็นเพียงแต่นึกคิดนึกกระดับไปนึกคิดกระดับไปเป็นขณะขณะขณะขณะนี่เป็นกิตตวิสุทธิไม่มีกิเลสคือไม่มีความหลง จะไม่มีความเล่าร้อนจะไม่มีความทุกข์เพราะการคิดพูดง่ายๆนึกคิดนึกคิดได้ทุกอย่างแหละแต่นึกคิดแล้วมันไม่เป็นทุกข์นึกคิดแล้วไม่มีบุปทานไม่มีความหลงมาไปเป็นเครื่องผูกต่อ <c oughs> เหมือนกันกันกบเข็มอุปมาเหมือนกันกันกบเข็มเข็มเป็นสิ่งที่ แทงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้เย็บปะชุนผ้าให้มันติดกันแต่ที่นี่ถ้าหากว่ามีได้อยู่ด้วยนะั่นมีได้ติดอยู่ในเข็มอันเรียกว่ามันมีความหลงอยู่มีความหลงมันมีเครื่องให้ติดให้ผูกให้ยึดกันอยู่ เราได้ใส่ก้นเข็มร้อยไปผ้ามันก็ติดกันที่ถ้าดึงได้นั่นออกเหลือแต่เข็มเหลือแต่ตัวเข็มเฉยๆ เ, เปรียบแม่นกับว่าเข็มนี่ก็เป็นเครื่องนึกคิดเป็นธรรมชาติของสังขารถ้ามีแต่เข็มเฉยๆเราจะเอาด้นผ้าซอยผ้าซอยไปซอยไป มันก็ไม่ติดกันใช่เนี่ยมันไม่มีอะไรติดนี่จึงเหมือนกับว่าความนึกคิดที่เป็นสัญญาสังขาร น, นึกคิดด้วยความรู้ด้วยความไม่หลงมันจะไม่มีอะไรติดยึดไม่มีอะไรติดยึดมันก็ไม่มีเชื่อที่ให้เกิดความเป็นทุกข์เพราะนึกคิดแล้วไม่มีทุกข์สัญญาก็เหมือนกัน สัญญาเขาเป็นธรรมชาติที่เขาจดจำแต่เมื่อมีความหลงมีความไม่รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความจดความจำจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความจดความจำเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมะคือตั้งจิตไว้ชอบในการเจริญศีล ให้เป็นศีระวิสุทธิด้วยสติสัมปชัญญะตั้งมั่นนั่นแหละก็เป็นสติธรรมสมาธิความที่ตั้งใจไว้ชอบหรือตั้งใจไว้มั่นด้วยความไม่หลงไม่มีอะไรจะมาร้อยลัดให้ไปติดเกิดเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เพราะความหลง เพราะเป็นสมาธิที่รู้ที่มีปัญญารู้สภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจึงประชุมรวมลงสู่อนัตตธรรมสเพ ธ, ธรรมานตาดังธรรมนิยามที่พระสงค์สวดสุดท้ายท่านสวดว่า สเปสังขารานิจา่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเบสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายมันเป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายท่านกอว่าสเพธรรมา—อนัตตาติทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำว่ารรก็คือสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจะเป็นความเกิดความแก่ความเกลียวความตาย หรือจะเป็นสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนที่นี่ที่มันมีความเป็นตัวตนเพราะความหลงเพราะความไม่รู้ที่เรียกว่าวิชาเป็นธรรมที่ไม่รู้ตามเป็นจริงรู้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงจึงหลงยึดหลงถือหลงเป็นตัวเป็นตน จึงเป็นสุขเป็นทุกข์จึงเป็นราคะตันหาจึงเป็นความโลภความโกรธความหลงเพราะรู้ไม่จริงถ้าเมื่อถ้ารู้จริงแล้วจริงว่ามันไม่มีไม่มีความหลงในความกำหนัดยินดมีมีความหลงในความพอใจไม่พอใจ หลงในความพอใจก็เป็นกามมจตัญหาเป็นทุกข์ในกามในความกำหนัดยินดีหลงในความไม่พอใจก็เป็นความโกรธเป็นความร้อนนี่เรียกว่า กิเลสทั้งหลายที่ท่านสมมติท่านบอกว่าโรกโกดหลงมันก็เป็นสมมติทั้งนั้นแหละเป็นสมมุติเป็นกิริยาการเกิดขึ้นท่านสมมุติให้รู้ตามความหลงที่นี้เมื่อมันรู้แล้วมันสงบมันไม่มีทุกข์ท่านก็สมมุติให้รู้ว่าสมมติไทยดับทุกข์ดับ เพราะเพราะเหตุดับผลจึงดับไปนี่ใช่ไหมการมตัตรฐานาภาวะตันหาวยภาวะตันหานี่เป็นอาการแห่งความอยากให้เกิดความทุกข์ทุกเกิดขึ้นความอัดอั้นตันใจความคับแค้นใจความร้อนใจความเสียอกเสียใจเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงให้เกิดความอยากความพอใจเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วการมาตัญหาความใข่ในความอยากให้เป็นให้มีก็ไม่มีเพราะว่าตัญหาความใข่ในความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นก็ไม่มี นี่เพราะว่าัญหาความอยากในความไข่ไม่ให้มีไม่ให้เป็นความอยากความไข่ในความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสหรือในความกําหนัดเองคาว่าความกําหนัดกําหนัดก็คือความไข่ความหลงในความอยากให้เป็นอยากให้มี อยากมีรูปใช้วสวยงามๆนั่นก็เป็นกรมมตัญหาไขาในความอยากให้มีให้เป็นในรูปอยากให้เสียงเพราะๆก็เป็นกรรมมตัญหาความอยากให้มีเสียงไพเราะความอยากในความนิ่มนวลความสัมผัส ก็เป็นการมตัิหาในความอ่อนนิ่มสัมผัสเยน็นสบายความไข่ในความสุขความสบายเนี่ยมันเรียกว่ามันก็เป็นกิเลสเป็นซ่อนซ่อนซอนซอนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป สุดท้ายจะละเอียดเข้าไปถึงไหนมันก็ละเอียดเข้ามาที่ผู้รู้นี่แหละเป็นผู้เข้าไปคือมันมีความหลงอยู่ในนั้นมันก็ไปสมมุติอย่างง้นอย่างนี่ในใจว่าอืไปหลงในกรร ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอืหลงในกิเลสสกามความไข่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอในความสุขความสบาย ไปไข่ในความไม่สุขความไม่สบายความทุกข์ความร้อนท่านก็รวมเรียกว่าเป็นกามเป็นกิเลสกามทั้งหมดนี่เมื่อรู้เข้าไปถึงใจธรรมซาติแท้จริงเลยด้วยปัญญาด้วยสติอันมั่นคงสมาธิตั้งมั่นปัญญาแจ่มแจ้ง ท่านจึงว่าปัญญานี่แหละไปเป็นเครื่องชํารอกเป็นเครื่องชําระตนคือชําระใจนี่เดียไปทำความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงจริงว่าตั้งตนไว้ชอบเมื่อตั้งตนไว้ชอบทุกทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดไปจากธรรมชาติลูลูคือใจท่านจึงว่า ศีลปริภาวิตโตศีลปริภาวิตาสมาธิปริภาวิตโตปัญญาปริภาวิตังอ่านจึงว่าศีลคือสติที่สังวรดีแล้วรวมเป็นสติชอบอนั่นแหละไปทำลายความหลงความไม่รู้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดญาณ คือความเห็นชอบสมาธิศีลเมื่อปฏิบัติดีแล้วก็เป็นฐานที่เชิดชูสนับสนุนความตั้งมั่นของใจให้เป็นความตั้งมั่นชอบไม่ตั้งมั่นโดยความหลงแล้วก็หนุนปัญญา ปัญญาความสว่างจยากคงอุดปาริญาณังอุดปาริปัญญาอุดาปาริคือมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาณเป็นญาณอันชอบรวมแล้วเรียกว่าเป็นแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาธรรมนั่นแหละเนี่ยมันจะทําลายความมืดที่อาศัยอยู่ในจิตที่มันคมุมจิต ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินหนึ่งในเมื่อไม่มีความรู้ไม่มีแสงสว่างความมืดมันก็คลุมเมื่อจุดแสงสว่างขึ้นมาแล้วด้วยข้อปฏิบัติคือศีระสังวรการตั้งสติให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเป็นวิชา รู้แจ้งเป็นสติไม่เผลอเป็นปัญญาไม่พังเผลอคือเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งแห่งปัญญาเนี่เรียกว่าปัญญานั่นแหละสักฟอกใจนี่คือสักฟอกสิ่งที่มหาห่อหุ้มกับใจออกไปจนเหลือแต่ใจแท้ใจเดิม ใจแท้จําเดิมไม่มีใจเดิมไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสุขไม่มีทุกแต่ว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกข้ามพ้นนรกข้ามพ้นสวรรค์ข้ามพ้นพรมโรูปข้ามพ้นสัตว์ที่ไร้ฉานไปหมดนี่ท่านเรียกว่าอยู่เหนือโลก ธรรมชาติรู้อันนั่นที่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่ตายอันนั่นเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบที่เป็นวิสุทธิเป็นวิสุทธิเป็นปัญญาชอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นวิธีจิตเนี่ยวันอยู่เหนืออยู่เหนือความอยาก มีอยากเป็นอยู่เหนือความรักความชังอยู่เหนือความสุขความทุกข์จริงๆว่าอยู่เหนือโลกสามเหนือกรรมมาโลกรูปเปโกรูปเปโกก็จิต ด, ดวงนี่แหละใจดวงนี่แหละที่ลู้ๆอยู่นี่แหละหมุนไปหมุนมา เพราะฉะนั้นให้ภาวนาเมื่อฝึกให้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ก็กำหนดวินิจฉยัยชพินิษ์พิจารณ า, าพิจารณากรรมบ้างพิจารณาขันห้า <c oughs> กำหนดรูปความเกิดดับของขันก็มไม่เที่ยงของขันนี่แหละของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กำหนดความแปรปวนความไม่เที่ยงของเสียงเสียงดีเสียงร้ายในอุบายการลูกความเป็นจริงท่านจึงรวมลงสู่ภูมิของวิปัสนาท่านจึงเรียกว่าวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาคือพินิษพิจรารณา ให้รู้รูปเสียงก ล, ภภลิ่นรสโผฏพะรู้ตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้ธาตุสี่ดินน้ำไฟมลมรู้ขันหา่ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ร่วนเป็นสมมุติเป็นบัญญัติรู้ความจริงของสมมุติไม่หลงสมมุติ วางสมมุติไว้ตามเป็นจริงของเขาจึงได้ชื่อว่าจิตนี้เข้าสู่วิมุติหรือว่าความรู้เข้าสู่วิมุติคือพ้อนจากความหลงในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงอันนั่นถึงเป็นวิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่ต้องมาเข้าโรงพยา บ, บาลพยาบาลไม่ต้องมาสร้างงานอันนั้นอันนี้ในโลกสมมุตินี่ต่อไปนั้นรี่ ว, ว่าจบสิ้นสมมติทั้งหลายทั้งปวงด้วยการประพฤติปฏิบัติ ทำด้วยการตั้งตนตั้งจิตไว้ชอบในการเจริญศสลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนี่จะเป็นปัจจตังเวทตาโภวินโยหิใจรู้ๆความรู้ของใครของเรานี่แหละจะรู้อยู่เฉพาะตนจะเป็นอยู่เฉพาะตนจะเห็นอยู่เฉพาะตน นี่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจเจริญสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เรียกว่าเป็นความชอบจะต้องเจริญปฏิบัติไปตามเส้นทางแห่งปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาถ้าหาว่ามาใช้สติปัญญานี่ไปตามเส้นทางของอวิชชา ของกิเลสอาสวะอะไรไม่มีทางสิ้นสุดเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวสร้างบ้านสร้างเรียนเดี๋ยวพเพยพังลงไปก็สร้างใหม่แตกดับพังลงไปก็สร้างใหม่เหมือนร่างกายของเรากิจที่ประกอบด้วยความหลงเพื่อวิชานี่แหละอโมหานี่แหละเป็นตัวมาสร้างออันนี้ว่าตัณหาเนี่ะ มันจึงมีตัณหาความอยากความยินดีพอใจมาสร้างเรียนยอดอืถือรูปร่างกายอันเนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็ติดก็หลงอแตกดับก็้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นเพราะฉนั้นจึงต้องได้เกิดตายเกิดตายจนนับจมจนประมาณไม่ได้อะเกิดตายเกิดตายก็ไม่ใช่ว่ามาเกิดตายเกิดตายเฉยะ แล้วก็ทุกทุกทุกเพราะทุกเพราะแสงทุกเพราะความกระทบกระเทือนจากการเกิดนั่นละ่ะก็ใจนี่แหละผู้รู้นั่นแหละมาสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ว่าสุขว่าทุกข์นี่เมื่อตั้งตนไว้ชอบจเจริญธรรมะอันชอบ สติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบแล้วิ่งสิ้นสุดสิ้นสุดทุกข์กันสิ้นสุดความหมุนเวียนนี่ด้วยการปฏิบัติอบรมจิตของตนเองให้มีสมาธิความตั้งมั่นมีปัญญารอบรู้นี่ต้องปฏิบัติ อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติตามศัลธรรมความเป็นจริงนี่ลำดับต่อไปตั้งอยู่ในความสงบที่นี่ได้ยินได้ฟังแล้วที่อธิบายให้ฟังมีใจเป็นมหาเหตุมีใจเป็นเหตุมีใจเป็นต้น เป็นหลากเง่าเข้ามูลที่นี่ตั้งใจทําความสงบรวมเข้าไปสู่ใจรู้ๆให้เหลือแต่ใจรู้อยู่รู้เกิดรู้ดับรู้หายใจเข้าหายใจออกเอาให้รู้ กำหนดมาอธิบายเรื่องปัญญาให้ให้ฟังแล้ววิธีเดินปัญญาที่นี่กกลับเข้ามากลับเข้ามากำหนดอยู่ในสมาธิในสมถะหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้เผลอถ้าเผลอเรียกว่าไม่ได้สมาธิ ถ้ามไม่เผลอนั่นแหละใจเป็นสมาธิด้วยความมีสติไม่เผลอพุโทโภพุโทโภทำความสงบจากเสียงจากความสัมผัสอย่างอื่นให้รู้พุทลูโทอยู่เฉพาะใจ นี่เมื่อใจรู้อยู่กับใจรู้อยู่กับรู้สติรอบรู้อยู่กับรู้จะสบายไม่มีอารมณ์ไม่มีความนึกความคิดสายไปตามสัญญาลมอันนั่นอันนี้นี่เรียกว่าใจเข้าสู่ใจใจเข้าถึงใจใจเข้าถึงใจ ด้วยสมาธิด้วยความตั้งมั่นใจเข้าถึงใจด้วยความตั้งมั่นด้วยการกาหนดมั่นอยู่กับตัวเอง <c oughs> เหมือนกันกับเราไม่ได้ทำงานอะไรเหมือนกับร่างกายไม่ได้ทางานอะไรอยู่ใช้เสยสเฉพาะตัวเองก็ไม่มีภาระไม่มีความทุกข์ความกระเทือน สับร่างกายของเรานี่ในส่วนสมมุติของรูปใจก็เหมือนกันเมื่อใจเข้าสู่ใจก็ไม่ได้ไปรับภาระรูปตามสังขารตามวิญญาณตามนามรูปอายตนะผัสเวทนาตัญหาอุปทานอเองเหลือแต่ความสุขของใจหรือพ้นทุก ทางใจด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงน้อมนำโอปัญิโกน้อมเข้าสู่ใจสอนใจให้ยินดีในการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมให้เห็นโทษของความไม่มีธรรมให้เห็นโทษของความหลง หเห็นโทษของความไม่มีสติไม่มีสติธรรมไม่มีสมาธิธรรมไม่มีปัญญาธรรมมันจะอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทุกข์เพราะความนึกความคิดของตนเองนั่นแหละทุกข์เพราะความอยากให้มีให้เป็นเกิดขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละไม่ได้ทุกข์เพราะอย่างอื่นหรอก รวมแล้วเรียกว่าทุกข์เพราะความไม่มีสติสมาธิปัญญาทุกข์เพราะความหลงให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วก็จะขมักขะแม่นขยันเรียกว่ า, า, า, กวาโกรธให้ตัวเองโกรธให้ตัวเองเนี่ยเพราะความเห็นโทษที่ตัวเองที่ใจนี่มันไม่สร้างสติ สร้างปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องทำลายความลุ่มหลงโกรธให้ตัวเองแล้วก็ตั้งสติเข้าไปภาวนาเข้าไปตั้งใจภาวนาเข้าไปฝึกเข้าไปจวจ่อเข้าไปพุทโทรกับใจให้มันกลมคืนกันจนเป็นันหนึ่งอังนเดียวกันถ้ามันเผลอก็เห็นโทษของมันในช่องที่เผลอ เดี๋ยวว่าเครียดแค้นให้ตัวเองจไม่ต้องเครียดแค้นให้ผู้อื่นการเครียดแค้นให้ตัวเองนี่แหละจะได้ประโยชน์จะนาจิตนำใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เครียดแค้นให้คนอื่นมีแต่จะเอาความทุกข์เข้ามาทับถมเข้ามาอีกนี่จะว่าเครียดแค้นให้ตนเองแล้วก็ยอมตายสละตายเอามันจะตายด้วยกัน ภาวานาด้วยการกำหนดรู้สติกับใจควบคุมกันพุทโธพุทโธหรื อ, เ, อเวลาทำการทำงานอะไรอยู่ไม่ต้องปล่อยให้ไปนึกคิดเรื่องอื่นซึ่งเป็นคลื่นลบกวนงานที่ทำอยู่ปัจจุบันให้มันจอลู้อยู่แต่กับปัจจุบันปัจจุบันจะทำการทำงานอะไรหรือแม่จะเดินเดินไปทำงาน ก็ให้รู้กับการเดินนั่งรถนั่งลาขับรถขับลาไปทํางานก็ให้สติรู้อยู่กับงานกับหน้าที่ที่ทํานั่นในการขับรถอไปกระเขีดไปเขียนหยิบอดินสอปากกาเ ข, ขียนอะไรก็ให้อสติระลึกรู้อยู่นี่เรียกว่าทํางานด้วยความมีธรรมะ อย่างน้อยมีสติธรร ม, มันการงานนั่นจะไม่ผิดพลาดจะไม่เป็นเหตุให้เกิดโทษแม้แต่การเดินเราเดินด้วยความมีสติะระวังลู่ไปกับการเดินเมื่อ ม, มันมีสิ่งกีดขวางอะไรมีต่อมีวัตถุอะไระมันก็จะหลีกไปได้มันก็จะข้ามไปได้ เดินด้วยความไม่มีสติก็จะไปเหยียบขวาเหยียบน้ำสะดุดไม้สะดุดวัดสดุทำให้ลื่นล้มแหนเกิดอันตรายนั่นจึงว่าอันตรายเกิดเพราะความไม่มีสติอย่างน้อยถ้ามีสติแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็มีน้อยมากหรือทำการงานผิดพลาด ได้น้อยเสร็จเวลาเขียนหนังสือผู้ทำงานธนาคารเขียนบัญชีการเบิกให้เขาบางทีเขาเขียนมาของเขาเขียนร้อยตัวเองไปเขียนลงเป็นพันเข้าใจร้อยเป็นพันเสร็จแล้วนับเงินพันให้เขานี่มันเป็นความผิดพลาด หรือเขาเบิกแสนก็ไปจ่ายให้เป็นล้านเขาเบิกสองแสนก็ไปนับเงินมาให้เขาสองล้านเนี่ยเมันเกิดความผิดพลาดสุดท้ายตัวเองก็ต้องได้รับโทษจากความผิดพลาดนั่นนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงว่าอย่างน้อยมีสติ ร, รมเนี่ยกำกับใจกำกับกับความรู้ความนึกความคิด กำกับกับการกระทำนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมแล้วความผิดพลาดหรือโทษจะมีน้อยเมื่อเราฝึกใชยสอนจิตสอนใจของเราจนธรรมชาติลูกคือใจเกิดเป็นญาณโดยไม่ต้องกำหนดอย่างน้นอย่างนี้แหละมันเป็นความลูกความเห็นตามเป็นจริงไปเลยนะ่ะ ท่านเรียกว่ายานทัศะะนะนี่การงานในสมมติที่ทแล้วมันมารู้มาเห็นกับความหลงในโลกสมมุติอันนี้มันพิกความสมมุติลงเป็นวิมุตติกิจวิมุตติธรรมแล้วอัอ น, นั่นเรียกว่าจบกันไม่ต้องไม่ต้องมาคอยปฏิบัติมาคอยรักษากันต่อไปละไม่ต้องมาคอยระวังว่า จะไม่เกิดไม่มาเกิดเพราะมันทาเหตุรำปัจจัยที่จะให้เกิดนั่นจบลงไปแล้วไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาฝึ ก, กจิตฝึกใจอะไรอีกละไม่ต้องมาภาวนาเพราะมันภาวนามันทํางานนั้นจบนั่นจนถึงขนาดนั่นแหละจึงจะหยุดการตั้งสติการพินิจพิจารณา พอสั้นในขั้นเบื้องต้นทาสติกับใจให้เป็นคู่กันะระลึกรู้ในงานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดให้มันสนิทศิดเชื่อไม่ให้ขาดวักขาดตอนอันนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมธรรมานุธรรมะปฏิปโนโหติ ผู้ประพฤติธ ร, รมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมขั้นไหนก็จะได้สัมผัสรสชาติหรือสัมผัสผลประโยชน์ในขั้นนั้นๆในขั้นให้ทานในขั้นรักษาศรรีลในขั้นเจริญเมตตาภาวนาาในขั้นธรรมวิชาให้เกิดขึ้นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงอืม นั่นเป็นอุปกเป็นอากุปรธรรมเป็นธรรมที่จะไม่ให้ทุกข์กับกำเลิบขึ้นมาใจดวงนี้อาศัยความขยันมันเพียรอาศัยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทีนี้ไม่ต้องมีความกังวลอะไรอีกต่อไปเป็นธรรมโดยธรรมชาติ เนด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้มีความเพียรประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมขอจงเป็นกำลังแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดนบันดาลหรือว่าสนับสนุนให้มีความเจริญในธรรมที่ตั้งตนไว้ชอบ ตามภาสิตที่ยกขึ้นว่าอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดถ้าตั้งไว้ไม่ชอบนิดเดียวก็เป็นทุกข์เป็นความดำำําค้ำเป็นความวุ่นวายนี่เพราะตั้งตนไว้ชอบในธรรมประกอบด้วยธรรมสุจริตหรือธรรมที่เป็นกุศล ทารทำศีลร ม, รรมจเจริญเมตตาภาวนาธรรมแล้วก็จะได้ให้ความมีความสุขในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปปาถนาสิ่งได้เป็นไปโดยชอบภันดาในสมมุตินี่ประกอบยธรรมแล้วจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ จงทุกท่านทุกคนเถอนอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปัมเมวัสมิสโตสัมเบปุเรนตุสังกาปาจันโอปนรสอยถามณีโชติรโสยถาสภิติโยวิวัชสันตุสภาวะโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโย สุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังอุทาปชายญโนยัตโลธรมมวทันติอายุวันโนสุขังหาลังอยากลุ้ยก็ให้ลุ้ยซะนัางมีสุขกให้มีสุข สมใจหนึกสมใจปรารถนาปฏิบัติเอาได้แะ